แนะนำบทอันมุมินูนบทอันมุมินูนเป็นบทมัธยยาที่กล่าวถึงหลักฐานของศาสนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกภาพศาลและการฟื้นฟนชีพวันนี้ถูกขนานนามด้วยชื่ออันทรงเขียนิว่าอันมุมินูนเพื่อเป็นอนุสรและเชิดชูความดีงามของพวกเขาซึ่งสมควรจะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์ชั้นฟึเดาอันสูงสง่ง บทนี้ได้เปิดเผยถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกะซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในจักรวาลอันน่าประหลาดนี้เช่นในทวมนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ในการสร้างโลกซึ่งมนุษย์ได้มองเห็นมันในโลกที่มองเห็นอยู่ในชนิดต่างๆของต้นอินทผลัมองงังวนมะกอกทับทิมตลอดจนผลไม้และพืชผลต่างๆอีกทั้งเรือเดินสมุทรที่แล่น ว่ากระแสน้ําในท้องทะเลซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการมีอัลลอฮ์บทนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของนบีบางท่านเพื่อเป็นการปลอบใจท่านบรสุลล์สสโลลลว์วะไลวะสลัมจากการที่ท่านได้ประสบกับการทําร้ายจากพวกมุชลิมโดยกล่าวถึงเรื่องของนบีนวัวนบีฮูดนบีมูซาและเรื่องราวของมารยาญผู้บริสุทธิ์และบุตรของนางคือนบีอีสา และได้เปิดเผยถึงความดื้อดึงของชาวกุฟฟามักกะและความเย่อหยิ่งของพวกเขาที่มีปฏิกิริยาต่อศัจธรรมหลังจากเป็นที่ประจับแจ้งแก่พวกเขาแล้วนอกจากนั้นยังได้นำหลักฐานและสิ่งพิสูจน์ต่างๆมายืนยันถึงเรื่องการฟื้นคือชีพในวันขียอาไมซึ่งเป็นการสำคัญของบทนี้บทนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวและความขับขันที่พวกกุฟฟาจะประสบ คือความตายโดยที่พวกเขาจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างระบากยิ่งพวกเขาจะภาวนาข อ, อกลับมาใช้ชีวิตในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อชดเชยสิ่งที่พวกเขาได้ละเลยในการทำความดีแต่มันเป็นความหวังที่เลื่อนลอยและห่างไกลเพราะเวลาที้ล่วงเลยมาแล้วบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันเกียรมะโดยที่มนุษย์จะถูกแยกออกเป็นสองจพวกคือพวกที่รับความสุข และพวกที่รับความทุกข์ทรัพย์สมบัติก็ดีวงตระกูลก็ดีก็จะตัดขาดไม่มีอนวยประโยชน์ให้แก่ใครเลยนอกจากการศรัทธาและการงานที่ดีแต่การสนทนาได้ถูกบันทึกไว้ระหว่างพระผู้เป็เจ้าและชาวนรกโดยที่พวกเขาได้ร้องตะโกนอยู่ในนั้นแล้วพวกเขาจะไม่ได้รับความช่อเหลือและไม่ได้รับการตอบแทนแต่ประการใด ด้วยพระนามของ a l l ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ د د แน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสำเร็จแล้วบรรดาผู้ที่สมรวมตัว ในเวลาละหมาดของพวกเขา ال และบรรดาผู้ที่พิถิพิลังให้เรื่องไร้สาระต่างๆและบรรดาผู้ที่ทำการบริจาคอัลกัตและบรรดาผู้รักษาทวารเบา เว้นแต่แก่บรรดาภรรยาของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองคือทาสีในกรณีเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ถูกตำหนิและไม่ถูกลงทษ ฉะนั้นผู้ใดแสวงหาอื่นจากนั้นชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ละเมิดขอบเขตออลีนนนมิิวดและบรรดาผู้ที่เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายแก่พวกเขาและสัญญาของพวกเขาแลีะบรรดาผู้ และบรรดาผู้ที่รักษาการละมาดของพวกเขาเอาไว้วทนเหล่านั้นแหละคือบาาารรดาทายาซึ่งพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ชั้นฟิรดเดาเป็นบรดกซึ่งพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และความจริงเราได้บังเกิดมนุษย์อาดัมมาจากธาตุดิมมลลแล้วเราทำให้เขามนุษย์เป็นเชื้ออาสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงคือมดลูก ثم خلقنا الطفة ع ل َ ق ة فخلقنا ا ل ع ل َ ق ة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحمة فكسون العظام لحمة ثم ش أ ن ا ه خلقا آخر แล้วเราได้ทำให้เชื้ออสุจิเป็นก้อนเลือดแล้วเราได้ทำก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วเราได้ทำให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วเราได้หุ้มกระดูกด้วยเนือ้อแล้วเราได้เปล่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งดังนั้นอัลลอฮ์ทรงําเนินยิ่ง ผู้ทรงเป็นเลิอแห่งผู้สร้างทั้งหลา ย, นนาลยหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ต้องตายอย่างแน่นอ น, น, น, อนหลังจากนั้นพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นในวันที่ยามะ และแน่นอนยิ่งเราได้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดไว้เบื้องบนพวกเจ้าและเราไม่ได้ทอดทิ้งระบบการสร้างเลย และเราได้น้ำหลั่งลงมาจากฟ้าก ฟ, ฟ, ฟ้าตามปริมาณและเราได้มันขังอยู่ในแผ่นดินและแท้จริงเราเป็นผู้สามารถอย่างแน่นอนที่จะให้มันเหือดหายไปนนาาลบว และด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้มันเป็นสวนหลากหลายแก่พวกเจ้ามีต้นอินทผลัมและต้นองุ่นสำหรับพวกเจ้าในสวนนั้นมีผลไม้มากมายและส่วนหนึ่งพวกเจ้าก็บริโภคมัน และเราได้ทำให้มันเป็นต้นไมใ้ใซโตนที่ภูเขาซีนายซึ่งมันได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันและน้ำแกงสำหรับผู้บริโภค ลและแท้จริงในเรื่องปศุสัตว์ปูอัวแพะแกะนั้นเป็นข้อควรคิดสำหรับพวกเจ้าเราให้พวกเจ้าดื่มสิ่งที่อยู่ในท้องของมันคือน้ำนมและในตัวมันมีประโยชน์มากมายสำหรับพวกเจ้า และบางชนิดพวกเจ้าก็บริโภคมันและพวกเจ้าได้บรรทุกบนหลังมันเช่นเดียวกับได้บรรทุกบนเรือและพวกเจ้าได้บรรทุกบนหลังมันเช่นเดียวกُบได้บَรทุกบนเรือ และเป็นที่แน่นอนยิ่งเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาแล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อลอเถิดสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจะไม่ย้ำเกรงหรือิิตเกาลลีนม บุญธรร ثل ك م يريد ีดอ้ายจ فضلعليكم و ل و ش ا ء ا ل ل ه ل ا ز ل م ل ا ئ ك ت م م ا س م ع ن ا ب ه ذ ا م ا س م ع ن ا ب ه ذ ا ف ي أ ب ا ء ن ا ل أ و ل ي ن แลวนาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในกลุ่มชนของเขาก็ได้กล mm. ่าวขึ้นว่า เขาผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเจ้าเพียงแต่เขาต้องการที่จะทำตัวให้ดีเด่นเหนือพวกเจ้าและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์จะทรงสรงมาลัยก้าลงมาเราไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ในยุคสมัยบรรพบุรุษของเราแต่การปล่อเลยอินหวอิลลาระจุลบิฮิจินตะบบิฮิฮัตาฮี เขาไม่ได้เป็นอะไรนอกจากคนบ้าดังนั้นพวกเจ้าจงรอดูเขาสักระยะหนึ่งเ ม, มื่อได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือฉันด้วยเพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังฉั น, น, น, น, นบ فإذا جاء أمرنا وثارت النور فسلف ي ه ا فسلف فيها من كل زوجين ا ث ن ي ن وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم และจะข้าวบินในผู้ที่นั่งดังนั้นเราจึงองการแก่เขาให้ต่อเรือภายใ ต, ใต้การดูแลของเราและคำสั่งของเราและเมื่อคำบัญชาของเราได้มาถึงน้ำในเตาก็จะเดือดพุ่งเจ้าจงบรรทุกสัตว์ทุกชนิดเป็นคู่คู่และครอบครัวของเจ้าด้วย นอกจากผู้ที่พระดำรัสได้บันทึกไว้ก่อนแล้วให้พินาศในหมู่พวกเขาที่ไม่ยอมศรัทธาและเจ้าอย่าได้ขอความช่วยเหลือข้าต่อบรรดาผู้ที่อาจทรแท้จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตาย ครั้นเมื่อเจ้าและผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าได้ขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วจงกล่าวเถิดว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ึ่งให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนที่ผู้อาถรรพ์<ะ>และจงกล่าวเถิดว่าโอ้พระผู้อวยบานของฉันขอโปร่งส่งให้ฉันลงจากเรือ อย่างมีความสำเรินและพระ อ, รองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ที่ให้ลงจากเรือการจึงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณเตือนสติมากลาย และถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ทดสอบปวงเบาของเราก็ต่งมม า, าตงแล้วหลังจากพวกเขาเราได้บันเกิดชนอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกอาลและเราส่งมาให้รับสุลัมมินุมอะนิยบุดอัลลอฮามาลุมมินอิลลัยน์ง่ายรู้อัฟแลาเตตกูน ดังนั้นเราได้ส่งเราซูนท่านหนึ่งของพวกเขาคืออูตไปยังพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อล้เอเถิดสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจะไม่ยำเกรงพระองค์หรือ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم มมมมและว่านากลุ่มชนของเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อการพบวันประโลกและเราได้ความสำราญแก่พวกเขาในความเป็นอยู่แห่งโลกนี้พวกเขากล่าวว่าเขาผู้นี้มีใช่ใครอื่นนอกจากเป็นคนธรรมดา เช่นเดียวกับพวกเจ้าเขากินอาหารเช่นเดียวกับที่พวกเจ้ากินและเขาดื่มเช่นเดียวกับที่พวกเจ้าดื่มและหากพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามคนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าก็เป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่นอน เขาสัญญากับพวกเจ้ากระนั้นหรือว่าแท้จริงเมื่อพวกเจ้าตายไปแล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นดินและมีแต่กระดูกแน่นอนพวกเจ้าจะถูกนําออกให้มาฟื้นขึ้นอีกหหะฮฮาจใ้้มส ไกลเสียจริงไกลเสียจริงในสิ่งที่พวกเจ้าถูกสันยาไว้ไม่มีชีวิตอะไรอีกนอกจากการดำรงชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายไปและบางคนในพวกเราก็จะมีชีวิตอยู่ และพวกเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นคนธรรมดาที่กล่าวเท็จต่อเราและเราจะไม่ยอมศรัทธาต่อเขาเป็นอันขาดเขาวูดกล่าวว่า โอพระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์โปรดช่วยเหลือฉันด้วยเพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังฉันพระองค์ตรัสว่าหลังจากเวลาอันเล็กน้อยพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้เสียใจอย่างแน่นอน ลลแล้วเสียงกบับนะก็ได้พลลนชีวิตของพวกเขาไปจริงๆแล้วเราได้ทำให้พวกเขากลายเเ็นเศษขยัดังนั้นความห่างไกลาจากเมตตาผอเลาะจึ่งประสบแก่ ก, ก, กลุ่มชนผู้อ า, มม า, าธรรพแล้วหลังจากพวกเขานั้นเราได้บังเกิดกลุ่มชนอีกหลายกลุ่ม ไม่มีประชาชาติใดที่จะรับโทษก่อนกำหนดของมันแล้วก็จะไม่ล่ากว่ากำหนดเช่นกันโอมอาบสัลลัลุสุลนะตะราคุอลมาจาออมมต ا บ ر س สูลฮะคดบุ ลแล้วเราได้ส่งบรร ด, ดาศาสนาทูตของเรามาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่าศาสนาทูตของพวกเขาได้มายัางกลุ่มชนหนึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อถือดังนั้นเราจึงให้บางกลุ่มของพวกเขาประสบกับความพินาศต่อจากอีกบางกลุ่ม แล้วเราได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาดังนั้นความห่างไกลจากเมตตาของละอจึงประสบแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาแล้วเราได้ส่งมูซาและพี่ชายของเขาคือฮารุนพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้ง ไปยังคิดราอูและบุคคลชั้นหัวหน้าของเขาแต่พวกเขาก็ยะโสโอหังและพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่เย่อหยิ่งจองหงพวกเขากล่าวว่า จะให้พวกเราศรัทธาต่อบุคคลทั้งสองที่มีสภาพเช่นเดียวกับเราได้อย่างไวและกลุ่มชนของเขาทั้งสองก็ยังเป็นภาคลับชายเราฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมเชื่วฟังเขาทั้งสองดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลายและแท้จริงเราได้ประทานคัมภีรเต่ารอนให้แก่มูซา เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องและเราได้ทำให้บุตรของมารยามและแม่ของเขาเป็นสัญญาณหนึ่งและเราได้ที่พักพิงแก่เขาทั้งสองณที่ราบสูงแห่งหนึ่งใบตุลมักริดซึ่งเป็นที่พักที่สะดวกสบาย และมีทานน้ําไหลยอบอบกบรรดาศาสนาทูตพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่ดีและจงกระทําความดีเอถอะเพอแท้จริงข้ารู้บียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทํา แท้จริงประชาชาติของพวกเจ้านี้เป็นประชาชาติเดียวกันและถ้าคือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าฉะนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิด ن َُ้ م ْ ز ปรْ ر าร พวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของพวกเขาระหว่างพวกเขากันเองแต่และฝ่ายก็พอใจในสิ่งที่ตนเองยึดถือแตังนานั้นเจ้ามูฮัมหมัดต้องปล่อยพวกเขาให้อยู่ในความงมงายของพวกเขาไปสักระยะเวลานึง พวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งที่เราได้แก่พวกเขาเช่นทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นน ات, ูเียเรือ้วเานัยรู้ถือเป็นการเร่งให้ความดีแก่พวกเขาการะนั้นหรือกล่าวเลย แต่ถา้าพวกเขาไม่รู้รอิัลปะแท้จริงบรรดาผูย้ยำเกรงเนื่องจากความกลัวต่อพระผู้อิบาลของพวกเขาวันนี้นั้มพวกเาตรับกาิชี้แนน และบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขานิรและบรรดาผู้ที่พวกเขาไม่ตั้งพาธีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและบรรดาผู้ที่พวกเขาไม่ตั้งพาธีต่อพระผู้อภิบารของพวกเขา และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาโดยที่จิตใจของพวกเขาเปลี่ยมไปด้วยความหวันเกรงว่าแท้จริงพวกเขาต้องกลับไปหาพระผู้อภิบาลของพวกเขาโอลาอีกยุติสายูนขี้น خير ติวะห์มละฮะซับิคุนชนเหล่านี้แหละจะรีบเร่งในการประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรรุดหน้าไปก่อน ถ้าเราไม่ได้บังคับผูดด้ใดเว้นแต่ด้วยความสามารถของพวกเขาและที่เรานั้นมีบันทึกที่บันทึกแต่ความจริง โดยที่พวกเขาไม่ถูกอาธรรมเลยแต่ว่าจิตใจของพวกเขาอยู่ในกลักแห่งความง ม, มงายจากอัลกุรอานและสำหรับพวกเขามีการงานอื่นอีกโดยที่พวกเขาต้องปฏิบัติมัน ต عذ จนกระทั่งเมื่อเราได้เอาชีวิตพวกที่สุขสมดานในหมู่พวกเขาด้วยการลงโทษเมื่อนั้นพวกเขาก็โอดควรวญร้องขอความชิลหลีลาเจารุ่นยุ่มอินนคุมมินนาเลทุสรูน พวกเจ้าจะได้ร้องขอความช่วยเหลือเลยในวันนี้แท้จริงพวกเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราดอกอความจริงองค์การทั้งหลายของเราเคยถูกเอามาอ่านแก่พวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็หันส้นเท้าของพวกเจ้ากลั บ, ม, บมุตบพวกเขายะโสอโอหังต่ออัลกุรอานพวกเขาจับกลุ่มกันสนทนาในเวลากลางคืนอ่านทัลายจะต้อรูว่าผู้ทีมาลับการอากผู้ัารน พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูถ้าตำหนักดอกหรือหรือว่าได้มีมาอย่างพวกเขาซึ่งสิ่งที่มิได้เคยมีมาอย่างบรรพบุรุษของพวกเขารุ่นกอน่อนๆหรือว่าพวกเขาไม่รู้จักศาสนาทูตของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงต่อต้านเขาอนนนเูละบิิ หรือว่าพวกเขากล่าวหาว่าเขาเป็นบ้าไม่ใช่เช่นนั้นดอกเขามุหมัมมัดได้นำความจริงมาให้พวกเขาแล้วแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้เกลียดชังความจริง าววาาหากความจริงสอดคล้องไปกับอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาแล้วบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในนั้นจะต้องเสียหายอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเราได้นำข้อเตือนสติของพวกเขาคืออัลกุรอานมาให้พวกเขาแล้ว แล้วพวกเขาเป็นผู้หันหลังกลับให้กับข้อเตือนสติของพวกเขานั้นืูจขขจบบนเจ้าขอขาจาัญในการเผยแพร่ศาสนาจากพวกเขากระนั้นนือแต่กาตอบแทนของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นดียิ่งกว่า และพระองค์เท่านั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศในหมู่ผู้ประธานปัจจัยยันต์กีบและแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ชักชวนพวกเขาไปสู่แนวทางอันเที่ยงตรงสู่ศาสนาอิสลามะิันนู้ชักชวนพวกเาไิสู่นวทาอันิทียรสิ่ศานาอิสลน แต่แท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันประโลกนั้นพวกเขาเป็นผู้หันหลังออกจากแนวทางอันเที่ยงตรงและหากเราเมตตาต่อพวกเขาและเราได้ปลดเปลื้องความทุกข์ยากออกจากพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็ยังคงมัวสุงอย่างคนตาบอด ออยู่่่ในคววามชัตไปและความจริงเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยการลงโทษแต่พวกเขาก็หาได้นอบน้อมต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาใหม่และพวกเขาก็ไม่ยอมทมตน จงกระทั้งเมื่ อ, บบบบ อ, อ, อ, อ, อเราเปิดประตูแห่งการลงโทษที่รุนแรงแก่พวกเขาเมื่อ น, นั้นพวกเขาก็กลายเป็นผู้หมดหวังไปเสียแล้ ว, ว และพระองค์เป็นผู้ทรงให้มีแก่พวกเจ้าซึ่งการฟังและการเห็นและหัวใจเพื่อเข้าใจแต่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณและพระองค์ทรงเป็นผู้แพร่เผาพันของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพระองค์ ลลลลลและพระองค์คือผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์ทรงสิทธิในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลางคืนและกลางวัน พวกเจ้าไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาดอกหรือแต่ถ้าว่าพวกเขาได้กล่าวเช่นเดียวกับชนรุ่นก่อนๆได้กล่าวไว้พวกเขาได้กล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินและกระ ด, ดูกก็ป่ เราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือแท้จริงเราและบรรพบุรุษของเราได้ถูกสัญญามาก่อนแล้วในเรื่องนี้มันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นนิยายสมัยก่อนเท่านั้น ลทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแผ่นดินนี้และผู้ที่อยู่ในนั้นเป็นของใครหาพวกเจ้ารู้รพวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอฮ์ทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจะไม่ให้ควรดูย์จงกล่าวเถิดมุ่งมัดนว่าใครเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้งเจ็บและเป็นเจ้าของบันลังอันิ่งามพวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอฮ์ จงกล่าวเถิดมอมัดว่าถ้าฉชนั้นพวกเจ้าจะไม่ยังเกรงพระองค์หรือจูงกล่าวเถิดมอมัดความหนาจอันกว้างใหญ่ไพสาลเหนือทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของผู้ใดโดยพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องทุ้กครอและจะไม่มีใครปกป้องพระองค์หากพวกเจ้ารู้ พวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอฮ์ทรงกล่าวเถิดมัวมัดดังนั้นพวกเจ้าถูกหลอกได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเราได้นำเอาสัจธรรมมาให้แก่พวกเขาแล้วแต่แท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็ดอย่างแน่นอน เราไม่ไ ด, ด إ إ ออ้ตัง้งผูใดเป็นพระบุตรและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับพระองค์ถ้าฉะนั้นพระเจ้าแต่ละ อ, องค์ก็จะเอาสิ่งที่ตนสร้างไปเสียหมด และแน่นอนพระเจ้าบางองค์ในหมู่พวกเขาก็จะมีอำนาจเหนือกว่าอีกบางองค์เอาล้อผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่พวกเขาเกล่าวหาพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งพ้ลันวิสัยและสิ่งที่มองเห็นได้พระองค์ทรงสูงส่งยิ่ง จงกล่าวเติอนมุอาดมัดว่าโอ้ครับผู้อภิบาลของฉันหากพระองค์จะส่งให้ฉันได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกกล่าวเตือนสำทับไว้แล้วโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงใหญ่ฉันอยู่ในหมู่ผู้อาดรรมเลย แต่ถ้าจริงเราเป็นผู้มีอนุภาพอย่างแน่นอนที่จะให้เจ้าได้เห็นสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กับพวกเขา ن ن เจ้าจงปรับความชั่วด้วยสิ่งที่ดีกว่า เรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาเกล่าวหาพระเจ้ากล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้พระผู้อิบานของฉันฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากเสียงกระซิบกระซาบของเซตอร์พระองค์ท่านขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่าน โอ้พระผู้อภิบาลของฉันให้พ้นจากการที่พวกมันจะนำความชั่วร้ายมาสู่ฉันา จ, าา น, กบบจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งในพวกเขาเขาก็จะกล่าวจันว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะ เล่าใหอฉันจะได้กระทำความดีในสิ่งที่ฉันได้ปล่อยทิ้งไว้เปล่าเลย มันเป็นเพียงไถ้คำที่กล่าวมันไวไ้เท่านั้นและเบื้องหลังของพวกเขานั้นมีโลกบรร thereby, กลาลาซจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา ดังนั้นเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพวกเขาเป็นอันหมดสิ้นในวันนั้นและพวกเขาจะไม่ได้ไต่ถามซึ่งกันและกั น, น, นดังนั้นผู้ใดที่ตราชูของเขาหนัก ชนเหล่านั้นคือผู้ประสบชัยชนะและผู้ใดที่ตราชูของเขาเบาชนเหล่านั้นคือผู้ที่ทำให้ตัวของพวกเขาขาดทุน พวกเขาจะพำนักอยู่ในนรกตลอดกาลไฟนรกจะเผาไหมใบหน้าของพวกเขา และพวกเขาจะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวในนรกนั้นองค์การทั้งหลายของข้ามิได้ถูกนำมาอ่านแก่พวกเจ้าดอกหรือและพวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมัน พวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้ ว, วิบาลของเราความชั่วช้าเร็วสามของพวกเราได้เข้ามาครอบงำพวกเรา และพวกเราก็เลยเป็นกลุ่มชนที่หลงทางโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ได้โปรดเอาเราออกจากนารกด้วยเถิดถ้าหากเรากลับไปทำความชั่วอีกแน่นอน เราก็เป็นพวกอธรรมพระองคตรัสว่าพวกเจ้าจงจงอยู่ในนั้นเถอะและพวกเจ้าอย่าได้มาพูดกับข้าอีกเลยอินนุคานทรุมมิ่งอิบะฮียกลุนรั บ, บนาอามันนยกลุนรั บ, บนาอัมัน พัดงาี้รงมาจีชนกลุ่มหนึ่งจากวงบ่าวของข้าพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพวกเราได้ศรัทธาต่อพระองค์แล้วขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและเมตตาแก่เราด้วยและพระองค์ท่านเท่านั้น ่่งงเเป็นผู้มตตาทีียิพวกเจ้าได้ถูถูกเหยียดหยามพวกเขาจนกระทั่งทำให้พวกเจ้าลืมนึกถึงข้า และพวกเจ้าหัวเราะเยอะเยะ้ยพวกเขาอินีจริแทจิงถ้าได้ตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาแล้วในวันนี้เพราะพวกเขาอดนทนแทจิงพวกเขาเท่านั้นเป็นผู้ กล่ัวว่าพวกเจ้าพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลากี่ปี พ, พวกเขากล่าวตอบว่าเราพำนักอยู่วันหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของวันครบรงโปรดถามนักคำนวณที่เชี่ยวชาญเกอ พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าไม่ได้ํานักอยู่เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากพวกเจ้ารู้ พวกเจ้าคิดว่าแท้จริงเราได้มันเกิดพวกเจ้ามาโดยไร้ประโยชน์และแท้จริงพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเรากระนั้นหรือ อิลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงศักจิ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันรงเกียรติวันนีะอุมอัลลอฮ์อลนบครหรนาละหบีฟ้อินนมาฮิสบหูอินดรบบี ح ح และผู้ใดวิงวอขอพระเจ้าอื่นคู่เคียงไปกับกเราโดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์แก่เขาในการนี้แท้จริงการคิดบัญชีของเขาอยู่ที่พระผู้อวิบาลของเขา แท่จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบความสาเร็จและจงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ได้โปรดอภัยและเมตตาและพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้เมตตาที่ดียิ่